มีใครอยากจะถามอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ได้เทศเหมือนกับวันเสาร์วันอาทิตย์จะสนทนาถามตอบปัญหากันไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาก็ถือว่าบรรลุแล้วเาจาขอโอกาสครับอยากถามเรื<ง>่องานตครับ<แ>รู้ว่าทางาน ไม่มีเวลาไปตัดบาทนะครับทุกเดือนก็จะฝากที่ตัวฝากเป็นเงินที่ที่เขาทำกับข้าวไปทุกเดือนทุกเดือนฝากทุกเดือนเดือนละห้าร้อยห้าร้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำทานตัดบาท เ, เป็นการทำทานนะทานก็บมายว่าการให้การให้ของเช่นเงินทองให้แก่ผู้นั้นการทำทานก็เป็นบุญอ่าเปง เป็นการปฏิบัติขั้นขั้นแรกเป็นมรเพื่อให้ไปสู่การรักษาศีลการภาวนาตามลำดับต่อไปการทำทานก็ทำได้กับทุกบุคคลและทุกชีวิตคือแม้แต่เดรัจฉานก็ทำได้คือ บุคคลที่เราทำด้วยนี้เขาเป็นเหมือนกับเป็นเหตุที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทำทานถ้าเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีคนอื่นไม่มีสัตว์อื่นต่อให้เรามีเงินเป็นแสนล้านเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำทานได้เพราะไม่มีคนรับทานของเรา ยังต้องมีบุคคลที่เขารับทานของเราเราก็จะทำทานได้ไม่เะนะนั้นเราก็ไม่รู้จะไปทำกับใครนั้นการทำทานนี้อยู่ที่ตัวเราและอยู่บุคคลที่รับอา น, นิสงของการทำทานนี้ก็มีแตกต่างกันไป ตามเหตุผลของผู้ให้และบุคคลผู้รับว่าเป็นบุคคลแบบไหนบุคคลผู้รับนี้ท่านเปรียบเหมือนกับดินที่ดินที่เราจะไปปลูกข้าวคน ถ้าคนรับนี่เป็นคนดีก็จะเหมือนกับดินดีเวลาปลูกข้าวที่ดินดีผลก็จะได้มากถ้าปลูกข้าวกับดินที่ไม่ดีดินที่ไม่มีคุณภาพผลผลิตก็จะได้น้อยนี่คือบุคคลที่เราไปทําทานด้วย ซึ่งก็มีไม่เหมือนกันบุคคลที่เราทำบุญทำทานด้วยนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันบุคคลเ ร, เราวัดด้วยดวยดยคุณธรรมของแต่ละบุคคลถ้ามีคุณธรรมมากก็มีอาอนิสงส์มากมีผลบุญมากเช่นทำบุญกับพระพุทธเจ้า ในพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมมากเหมือนดินที่มีปุ๋ยมีมีอาหารที่จะผลิตข้าวออกมาได้มากเวลาได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าซึ่งสมัย พุทธกาลนี้พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็บรรลุแผ่นพ่านันกันเป็นจำนวนมากเลยแม้แต่คารว่าก็บรรลุได้มีชายที่ไปพบพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงเดินบิณฑบาตแล้วกราบขออาราธนาให้แสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นเวลา ที่จะแสดงธรรมในตอนนี้แต่ชายนั้นก็ยินยันว่าขอให้ได้โปรดช่วยแสดงธรรมสั้นๆก็ยังดีพระพุทธเจ้าก็เลยทรงตัดสอนว่าขอให้เธอสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าเธอเห็นอะไรได้ยินอะไรให้ให้สักแต่ว่ารู้ในสิ่งที่เธอได้เห็นได้ยินนี่คือการสอนพอเขาฟังคันี้เขาก็เข้าใจใจเขาก็บรรลุ คือระเจ้าสอนให้ปล่อยวางทุกอย่างเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเจ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของต่างๆที่เราได้นี้ที่เราเอามาทําทานนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราเอาไปกับเราไม่ได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไป ถ้าเรามีความหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาเราต้องจากเขาไปเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ยึดไม่ติดเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราจะต้องพัดพากจากเขาไปลรงแสดงธรรมสั้นๆเท่านี้ชายคนนั้นก็บรรลุ แล้วก็ขออนุญาตพุทธเจ้าไปเตรียมตัวจะมาบวชแต่ชะตาคงจะถึงคาบในวันนั้นระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขวิดตายพอพุทธเจ้าทราบก็ทรงสั่งให้ทำชาปนกิจให้กับชายคนนี้แล้วให้สร้างสถูปคือเจดีย์เพื่อเอาบอัตินี้บรรจุไว้ บันอติของชายคนนี้แสดงว่าชายคนนี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าการจะเอากระดูกหรืออัติไปบรรจุในสถูปนี้ต้องเป็นบุคคลสําคัญเช่นพระพุทธเจ้าพระมาหาจากักรพรรดิพระปฏิเกศพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์นี่ก็คือเนื้อนาบุญ ที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าถ้ารองลงมาก็พระอาหารหันตสาวกฟังธรรมจากพระอาหารหันตสาวกอาจจะไม่บรรลุทันทีทันใดแต่ถ้าได้ยินได้ฟังได้นำมาไปปฏิบัติไม่นานก็บรรลุได้อย่างโปธิรั์ที่ไปศึกษากับสัมมณีที่เป็นพระอาหารหันต สามเณรก็สามารถสอนให้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้ถ้าไปถ้าไปศึกษากับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เช่นพระอนาคามีท่านก็ไม่สามารถสอนให้บรรลุ ถ, ถึงขั้นพาาาระอรหันต์ได้เพราะท่านรู้เพียงขั้นอนาคามีก็จะได้ทําระดับอนาคามีถ้าไปทําบุญกับพระอนาคามี ถ้าทำบุญกับพระสะกิดาคามีก็จะได้บรรลุธรรมในระดับ ส, สกิดาคามีถ้าไปทำกับพระโสะดามันก็จะได้บรรลุธรรมเพียงระดับโสดามันถ้าไปทำบุญกับพระที่ได้ฌานสมาบัติสมาธิก็จะได้ได้ฌานสมาบัติฌานสมาธิ ถ้าไปทำบุญกับพระที่รักษาศีลได้แต่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็จะได้เพียงทำขั้นศีลเช่นศีลห้าศีลแปดศีลสิบถ้าไปทำบุญกับพระที่ไม่มีศีลก็จะไม่ได้ศีลถ้าไปทำบุญกับพระที่หลงให้เราไป ทำกิจนอกคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้สิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาทำเวลาเราทําบุญเราก็ต้องเลือกอบุคคลที่เป็นเหมือนเนื้อนาบุญถ่าถ้าเราต้องการได้ผลผลิตมา ก, มากๆเราก็ต้องเลือกอเนื้อนาบุญที่ดี บุญยักเขตตังโลกัสะเนื้อนาบุญของโลกนี้ก็มีอยู่สบุคคลด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันทำกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องบรรลุปเป็นพระอรหันอย่างแน่นอนเช่นถ้ได้ทําบุญกับพระโสดาบันแล้วบีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเห็นว่าวิธีการดับความทุกข์ก็คือการละความอยากด้วยการปฏิบัติธร ร, รมถ้ารู้แค่นี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆและก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับได้พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุเป็นพาาระอะไร ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติและความเข้มข้นของสติปัญญาของผู้ปฏิบัติถ้าเป็นบุคคลที่มีความฉ ล, ลาดฉลาดมีความเพียรสูงก็จะบรรลุเร็วถ้ามีความเพียร น, น้อยมีความฉลาดน้อยก็จะบรรลุช้า แต่ช้าก็เร็วก็จะต้องบรลลเพราะว่าพระโสดาบันนี้คือผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วเหมือนกับเราได้เข้าไปในแม่น้ำเจ้าพญาแนละ้วแม่น้ำเจ้าพญาเดี๋ยวก็จะพาเราไหลลงมาที่กรุงเทพมหานครถ้าไม่ได้ลงไปในแม่น้ำเจ้าพญานี้ก็จะมาไม่ถึงกรุงเทพนี่คือ การทําทานกับบุคคลต่างๆอา น, นิสงส์จะได้รับก็แตกต่างกันไปตามคุณธรรมความรู้ความสามารถของบุคคลที่เราไปทําบุญทําทานด้วยถ้าเราไปทําบุญทําทานกับพระเป็นหมอดูเขาก็จะดูหมอให้เราถ้าท่านเป็นคนที่ชอบพาเราไปเที่ยวอินเดียท่านก็นจะชวนเราไปอินเดีย ถ้าท่านชอบให้เราทำพิธีกรรมต่างๆท่านก็จะชวนให้เราทาพิธีกรรมต่างๆแล้วแต่ความรู้ความสามารถของท่านว่าท่านมีอยู่ตรงไหนท่านก็จะทำสอนเราชวนเราให้ทาตามความรู้ความสามารถของท่านไป อย่างคุณนี่สมมุติว่าคุณไม่สามารถที่จะทําทบุญใส่บาตรได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีพระอริยะอยู่ที่ไหนหรือเปล่าสิ่งที่คุณทําได้ก็คือเอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ก็ได้ถ้าไม่มีใครไปใส่บาตรให้เราหรืออยากจะไปใส่บื่อบาตรทำบุญกับพระอริยะแล้วอยู่ที่แถวบ้านเราไม่มี เราก็ใส่บาททุกวันได้ด้วยการเอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาทนี้ใส่กระปุกไปแล้วพอมีวันหยุดวันว่างมีโอกาสที่จะไปวัดไปหาพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงฆ์เราก็ไปแล้วเอาเงินที่เราได้เก็บไว้นี้ในกระปุกนี้ไปถวายไปทาบุญกับท่านแล้วก็ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัต จะอาจจะไปขออยู่พักอยู่สามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่โอกาสเพราะว่าต้องฟังเทศฟังธรรมด้วยถึงจะได้รับประโยชน์จากพระอริยะเจ้าถ้าเพียงแต่ใส่บาทท่านไ่ายแล้วไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้รับอนิสงส์ได้รับก็เพียงแต่อนิสงส์ที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ของตนไป แต่จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจากท่า น, น, นอย่าไปคิดว่าทํากับบุญกับพระอริยะเจ้าแล้วตัวเองจะได้บุญมากถ้าฟังถ้าไถ่บาทอย่างเดียวกับพระอริยะเจ้ากับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอริยะเจ้าอา น, นิสงส์ก็เท่ากันถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังเทศฟังธรรมจะจะไม่เท่ากันจะต่างกัน ฟังธรรมจากพระอริยเจ้ากับฟังธรรมจากปุธุชนนี้มันไม่เหมือนกันความรู้ที่ได้รับนี้จะไม่เหมือนกันสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินในฝฟังนี้จะไม่เหมือนกันฟังธรรมจากพระอริยเจ้าท่านก็จะสอนเรื่องมรรคเรื่องอริยสัจฟังธรรมจากปุตุชนนี้ท่านก็จะไม่ได้สอนเรื่องอริยมรรคอริยสัจสี่ เพราะท่านยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเหล่านี้นั่นเองท่านก็ไม่สามารถสอนให้เราได้ดัการทำบุญกับพระอริยเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงถึงเพียงแต่การทำทานเพียงอย่างเดียวหมายถึงการฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติเราก็จะได้รับอนิสงส์จากการได้ ทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าเพราะถ้าปฏิบัติได้ก็จะบรรลุธรรมที่ท่านแสดงไว้ได้ถ้าเป็นธรรมขั้นโสดาบันก็จะได้ขั้นโสดาบันธรรมขั้นสกิทาคามีก็จะได้ขั้นสกิทาคามีขั้นภาณาคามีก็จะได้ขั้นภาณาคามีขั้นพระอรหันต์ก็จะได้ขั้นพระอรหันต์แต่ บุคคลแต่ละระดับนี้ไม่สามารถแสดงธรรมเหนือภูมิของท่านได้มือนอาจารย์ระดับปัญญาตรีนี้จะไปสอนนักศึกษาระดับปัญญาโทไม่ได้นักศึกษาระดับปัญญาโทนี้ต้องเป็นอาจารย์ระดับปัญญาเอกเปัญญาโทถึงจะสอนได้ฉันใดก็ฉันนั้นอันนี่คือวิธีการทําทานเวลาที่เรา ไม่สามารถทำกับพระอริยะเจ้าได้เพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้หรือเราไม่มีเวลาไปเราก็ทำแบบนี้ก็ได้คือเอาเงินที่จะทำทานนี้แยกไว้อย่าไปปะปนกับเงินส่วนเอนแล้วเมื่อทัแยากไว้แล้วก็ต้องเด็ดขาดไม่ไปขอยืมมาใช้ทีหลังคือถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้ว ไมงั้นเดี๋ยวก็จะโกหกตัวเองเดี๋ยวพอจะเงินขาดหน่อยก็ามาขอเงินยืมเงินทําบุญไปไปใช้ใหม่แล้วยืมแล้วบางทีก็ไม่ใช้เพราะมันไม่มีเงินจะใช้ถึงต้องมายืมคนที่ยืมเงินคนจึงมักจะไม่มีเงินใช้เขานอกจากต้องมีหลักทรัพย์ยึดประกันไว้เท่านั้นก็ถึงจะเอาเงินที่เขายืมไปมาคืน ถ้ายืมเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์นี่ส่วนใหญ่แล้วไ ม, ไม่ไม่มีคืนไม่เชื่อลองไปที่ธนาคารดูไปยืมเงินที่ธนาคารถ้าไม่มีหลักทรัพย์นียเขาไม่ให้หยืมหรอกถ้าข้ายืมธนาคารก็เจ๊งเปิดได้ไม่กี่เดือนก็เจ๊งมีเงินเท่าไหร่ก็หมดถ้าขคาอยากจะยืมเงินก็เอาเอาไปเอาไป ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันเนี่ยฉะ้เวลาทําบุญแบบนี้เราต้องระมัดระวังว่าอย่าไปกลับกรอกเราทําแล้วต้องเป็นเถอว่าไม่ใช่เมเงินของเราแล้วเป็นเงินของของการทําบุญทําทานแล้วเราถึงจะได้บุญเราให้ทําทุกวันก็เพราะว่ามันจะได้ติดเป็นนิสัยถ้าเราไม่ทำนานๆทําทีนี้มันทํายาก แลพอถึงเวลาจะทำก็อาจจะมีข้ออ้ า, ตางต่างๆนานาขึ้นมาตอนต้นอากาจะทําก้อนใหญ่ก็เริ่มพอถึงเวลาทาจริงๆเหลือนิดเดียวแต่ถ้าเราทาทุกวันทุกวันอย่างนี้ไปพอถึงเวลาไปวัดก็มีเงินก้อนใหญ่ไปทำบุญได้มากนี่ก็คือเรื่องของการทำบุญส่วนประโยชน์ของผู้รับ ผู้ให้ของผู้ให้สมว่าเราต้องทำบุญแต่ในโลกนี้ไม่มีพระอริยเจ้าแล้วไม่มีคนดีแล้วเหลือแต่ศว์เดลฉ า, านนี่ไปปล่อยนอกปล่อยปลาอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันบุญนี้เป็นบุญที่เรียกว่าความอิ่มใจสุขใจไม่ใช่บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปัน เอาของเงินทองที่เรามีอยู่เราเห็นคนนั้นคนนี้หรือสัตว์นั้นสัตว์สัตว์นั้นสัตว์นี้เดือดร้อนสงสารอยากจะบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาเราก็ช่วยเหลือเขาเช่นเขาขาดแคลนปัจจัยสี่ก็ซื้อปัจจัยสี่มาให้เขาเช่นเวลามีภัยทางธรรมชาติอุทกภัยมาตะภัยอักขีภัย คนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารเราก็ช่วยกันบริจาครักเพื่อไปซื้อปัจจัยสี่ไปช่วยเหลือกันถ้าเราทําโดยที่ใจสะอาบดบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากผู้รักเราก็จะได้ความสุขใจมากได้บุญมากแต่ถ้าเราทําแล้วเรามี มีความอยากได้ผลตอบสิ่งตอบแทนจากผู้รับอันนี้บนก็ความอิ่มใจสุขใจก็จะน้อยหรือไม่มีเลยเช่นเราทำกับคนนี้เพื่อเราหวังให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราแล้วพอทำให้เขาแล้วเขาไม่ทำให้เราเราก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขใจเราก็เสียใจและอาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้ ทำบุญแทนที่จะได้บุญก็กลับได้ได้กิเลสได้ความโกรธได้โทสะเป็นมาถ้าทำด้วยใจที่ไม่บอยสุดเนี่แต่ถ้าทำได้ใจที่บอยสุดไม่ได้ฝังสิ่งตอบแทนจากเขาเห็นว่าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เขาจะตอบแทนเราด้วยอะไรหรือไม่นี้จะจะไม่ได้สนใจ เขาจะขอบใจเราหรือเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่เราไม่สนใจหรือแม้แต่เขาจะมาแหวงกับเราเราก็ไม่ถือสาเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังอะไรจากเขาเราหวางเพราะเราเห็นว่าเหมือนคนเดินล้มเดินหกล้มแล้วลุกขึ้นมาเองไม่ได้เราก็ช่วยประยุงเขาให้ให้เขาลุกขึ้นมาเดินได้เอาก็เดินไปได้แล้วเราก็สบายใจสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือ คนเช่นดาราบางทีเราเห็นคนแก่คนชราคนพิการตามท้องถนนหรือตามสถานที่สาธารนณะถึงบางครั้งเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เราไปช่วยเขาอย่างนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทำด้วยน้ำใจถ้าทำด้วยน้ำใจนี่จะมีได้ความสุขใจมากถ้าทำ โดยที่มีหวังผลตอบแทนนี้จะไม่ได้ความสุขใจถ้าไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาถ้าทำเพื่อหวังผลตอบแทนนี้เราจึงไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานแต่เรียกว่าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนกับเราเอาเงินไปที่ร้านขายของแล้วเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาอันนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่ได้ทาบุญเราก็ไม่ได้ทำบุญ ดั้งนั้งที่เป็นการเป็นการให้เหมือนกันเราก็ให้เงินเขาเขาก็ให้ของเราแต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องได้เงินก่อนข้อสัญญาของเราขอกับพวกเราครับทําบุญเพราะว่าจะได้อานิสงมากๆอยากได้บุญมากๆอันนี้ถือว่าโครงการหรือว่าเป็นการเพื่อเอ่อเราทําอะไรเราก็อยากจะได้ผลที่เราต้องเข้าใจลเรื่องของเหตุของผลว่า ทำอะไรอย่างไรแล้วถึงจะได้ผลอย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาดูอย่างวันนี้ก็ได้ได้ศึกษาแล้วอยา่างเช่นเราอยากได้พระนิพพานนี่จะว่าโลภมมันก็ไม่โลภเพราะมันเป็นเรื่องของหลักของเหตุผลเราทำอะไรเราก็ต้องการผลตอบแทนเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นผลตอบแทนจากบุคคล น, นั้นโดยตรงเป็น เป็นการตอบแทนจากการที่เราทําเองทําด้วยตัวของเราเองเช่นมรรพานนี้พระพุทธเจ้าให้เราไม่ได้ไปทําทานแล้วพระเจ้าก็เอาเอานี่เอานี่พานไปนี่ไม่ได้เหมือนสมัยนี้พระเวลาไปทำหมื่นกับพระแล้วท่านก็เอาพระพุทธรูปให้เรานีใ้อันนี้มันทําไม่ได้คือ คือการกระทํานี่มันเป็นเหตุแล้วมันต้องมีผลตามมาแล้วอยากได้ผลจากการกระทํานั้นไม่ถือว่าเป็นเป็นกิเลสแต่อย่างใดเป็นเหตุผลเพราะคนเราทุกคนก็ยังมีความต้องการคือเราทุกคนต้องการความสุขกันใช่ไหมต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์กันที่มานี่เราก็เพื่อที่จะมาทํา ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปทําให้ความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆทําบุญทำทานกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องรับได้รับการสนับสนุนจากพวกเราพระถ้าพวกเราไม่ใส่บาตแล้วพระจะอยู่ได้ยังไงถ้าเราไม่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างกุฏิศาลา จะมีที่บำเพ็ญได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแล้วส่วนผลที่เราต้องการนั้นมันก็อยู่ที่เหตุเช่นเราต้องการดับความทุกข์ได้ความสุขอยากได้มากๆเลยก็บวชเลยถ้าบวชมันก็จะได้มากถ้าเป็นคาลาวามันก็ได้น้อยเพอเวลาที่จะปฏิบัตินั้นมากน้อยต่างกัน เป็นคาราวะามันก็ต้องมีภารกิจการงานหน้าที่ต่างๆเวลาที่จะปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ไม่มีแต่ถ้ามาบวชเป็นพระนี่ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติได้ตั้งแต่เตื่นจนหลังอย่างนี้ถ้าอยากจะได้บุญมากๆก็ต้องบวชอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นเหตุเป็นผลเป็นตักกะเข้า ใ, ใจไหม ไม่ใช่ว่าทําบุญสิ บ, บาทแล้วขอให้ได้นิพพานนีไอเงี้ยเป็นกิเลสทําบุญร้อยบาทแล้วทําบุญร้อยล้านก็ไปแล้วอยากได้นิพพานก็เป็นกิเลสเพราะมันยังไม่ได้เทําน้อยล้านมันก็ได้เสียมันก็เสียเงินไปร้อยล้านมันก็จะได้ความสุขจากการเสียเงินร้อยล้านไปว่าได้ได้สลระเงินก้อนนี้ไปแล้วทําให้ใจเบาขึ้นเพราะเงินทองที่มีมากเกิน ความจําเป็นนี่เป็นเหมือนอ<ม>เป็นเหมือนก้อนหินที่เราแบกไว้เราก็ไม่ได้ใช้มันใช่ไหมร้อยล้านนี่เราไม่ได้ใช้ละเรพราะมันเรามีเหลือใช้อยู่แนละ้วไม่มีร้อยล้านนี่เราก็ยังอยู่ได้ยังมีเงินใช้อยู่ยังอยู่ได้กินได้อยู่ยิ่งเสียเงินร้อยล้านไปนี่ก็แสดงว่าไม่ต้องไปแบกเงินก้อนนะี้แล้วเบา อ, อกเบาใจขึ้นมปแนละ้วนี่แสดงว่าถ้าเราสละออกไม่ว่าจะเป็น กระชังก็ตามหรือว่าขบวนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชั้นคุงหรือว่าพยาสูงก็คือสิ่งแรกคือการสละออกเหมือนกันแต่สที่ลาไม่เหมือนกันคือคือความเห็นที่ได้จากการฟาังเทศน์ฟังธรรมตรงนี้ครัคือการสละนี่มันเป็นการยกเอาภาระออกจาก อ, อกเราไปทำให้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น มีร้อยล้านมีพันล้านแบบเอาไปบริจาคซะเก้าร้อยล้านหลือร้อยล้านนี้กลับมีความสุขกว่ามีพันล้านเพราะว่ามันใจไม่ต้องมากังวลกับเงินเก้าร้อยล้านนั้นเก้าร้อยล้านนั้นไปเลยให้มันไปเลยเหลือแค่ร้อยล้านก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมยังกินอยู่ได้เหมือนเดิมนุกอย่างไม่แตกต่างแต่พาราทางจิตใจนี้มันเบาขึ้นเยอะ ยิ่งถ้าสละได้หมดเลยพันล้านแล้วก็ไปบวชมันก็ยังกินอยู่ได้เหมือนเดิมคนที่อยากจะบวชก็ต้องสละหมดพันล้านอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ต้องสละราชสมบัติถ้าเป็นเงินสมัยนี้ก็เป็นพันล้าน่ะภาษาสามฤดูอันนี้คือหน้าที่ของทานเป็นการอเหมือนกับว่า เอาก้อนหินออกจากอกเราหรือออกจากบ่าที่เราต้องแบกเราต้องการเดินไปพระนิพพานถ้าเราต้องแบกเงินก้อนนี้ไปไปไม่ถึงก้อนเดินไม่ไหวเพราะเป็นเหมือนเราจะไปปีนเขาหิมาลัยอย่างเนี้ยคุณจะแบกข้าวแบกของขึ้นไปยังไงไหวคุณก็ต้องไปแบบตัวเบาๆใช่ไหมเอาไปให้น้อยที่สุดเอาไปเท่าที่จําเป็นนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องสละ ข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติสามีภรรยาบุตรธิดาทิดากพของเหล่านี้มันเป็นเหมือนภาระพลุงพลังนะจะไปปีนเขาเนี่เอาของพวกนี้ไปก็ปีนไม่ไหวนะเพราะตัวเองตัวลำพังคนเดียวปีนยังไม่ค่อยไหวแล้วจะไปแบกคนอีกสามสี่คนไปด้วยจะไปปีนไหวไหมคนที่บรรลุมันม์ผลนิพพานกันส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าจุดเกเจึงเป็นนักบวชนยะ เการทำทานนี้ก็เป็นเหมือนกับเปิดอคอกให้เราได้ออกไปจากอคอกที่มันกักกันเราอยู่ถ้ามีเงินทองมันก็มันก็จะกักกันเอให้เราอยู่กับการหาเงินใช้เงินดูแลรักษาเงินเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมพระเจ้าถึงบอกให้เปิดช่องไว้ให้จะได้มีช่องเล่นลอดออกไปทำทาน ทำให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวพอมันรูมันใหญ่เต็มที่ก็ออกไปได้ทั้งตัวเนี่ยตอนนี้เราทําทำนุ่รูมันเล็กเข้าใจไหมเรามีร้อยล้านแต่เราทําแค่พันสองพันนี่เหมือนเหมือนกับรูเข็มยังออก ไ, ไ, ไม่ได้เขาใจไหมถ้าอยากจะออกจากจากคลองนี้มันต้องทําหมดเลยมีเท่าไหร่ก็ทําหมดเลยมีร้อยล้านก็ทํามันร้อยล้านเลยพอไม่มีเงินแล้วมันก็จะได้ต้องไปบวช นะเพราะมันถ้าไม่บวชมันก็ไม่มีกินอ่ะถ้าจะไปทำมาหากินมันก็ไม่มีเวลาปฏิบัตินะอย่างตัวตัวอย่างไม่ต้องใครตัวเรานี่แหละเราก็สมัยที่เราศึกษาเราก็ไม่ได้ทำงานเราลาออกจากงา น, นเพราะเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่พอที่จะอยู่ได้ระยะหนึ่งพอถึงเวลานั้นแล้วเงินหมดแล้วมันต้องเลือกทางแล้วกูจะทาไหดี ไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วเนี่ยอถ้ายังอยากจะอยู่แบบนี้อยู่ยังอยากเป็นคารวะยังก็ต้องไปหาเงินหาทองแล้วก็แล้วก็มีเวลาว่างก็มาปฏิบัติธรรมหรือถ้าว่าอยากจะปฏิบัติธรรมเยอะๆอก็ไปบวชจนะจะได้ไม่ต้องไปทํางานจะได้ไม่มีต้องไม่ไม่เสียเวลากับการ ไปทำงานหาเงินหาทองมาซื้ออาหารซื้อซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพต้องยากจนถึงบวชพอไม่มีเงินเราก็ตอนต้นก็ไม่อยากจะบวชกิเลสมันไม่ชอบบวชเข้าใจะนะกิเลสมันยังชอบเป็นคาราวาสอยู่เพราะเป็นคาราวาสมันไม่ต้องมันไม่ถูกจับมัดไงถ้าเป็นพระนี่เป็นนักบวชนี่มันเหมือนกับมีเชือกมามัดมือมัดมือมัดเท้าวไว้แล้ว คือศีลแปดศีลสิศีลสองยบเจ็ น, 7, นี่มัน ม, มัดมือมัดเท้าแนละ้วทีนี้จะไปทําอะไรมันไม่สะดวกแนละ้วไม่มีใครอยากจะบวชกันเพราะอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวไหนมาไหนก็ไปไม่ได้จะไปนอนกับแฟนก็ไปนอนไม่ได้นี่คือเรื่องของการทําทานเพื่อให้เราจะได้มีเวลาได้ไปบปําเพ็ญเต็มที่อ ไปบวชไปบวดแล้วก็มีคนเข้าม า, าดูแลเรื่องอเรื่องปัจจัยสี่ให้กับเราถึงเวลาก็ไปบินตบาเนะี่ยแค่นั้นเองก็ได้ข้าวกินละที่อยู่อาศัยก็เนี่ยมีวัดวาอารามต่างๆเครื่องนุ่งห่มก็มีผ้าไตาสามผืนก็พอแล้วเคยเคยเห็นเราเปลี่ยนไหมเคยเห็นเราเปลี่ยนชุดไหมามากี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ใส่ผืนนี้แหละ ก็พอแล้วชีวิตนี้มันจะไปเอาอะไรมากมายนะมีเสื้อผ้าพรมีภาษาราชวังอยู่แต่ใจมันร้อนเป็นไฟเพราะไม่มีธรรมระดับกิเลสตัณหาเพราะเพราะมีสิ่งคอยเลี้ยงกิเลสตัณหาคือเงินทองอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อไปดูไปฟัง มันก็ยิ่งทําให้ใจร้อนขึ้นมาใหญ่แทนี่จะทําทให้ใจเย็นใจมันก็ร้อนแต่พอไม่มีเงินปับ๊บมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะซื้อตามความอยากของกิเลส ต, ตัณหาได้กิเลสตัณหาก็สู้พร้อมลงไปพอกิเลสมันสู้ลงไปพร้อมลงไปใจก็เย็นขึ้นมากขึ้นแล้วพอมาปฏิบัติธรรมมันก็ยิ่งลดลงไปใหญ่ นี่คือการทำทานนี่คือการให้เราฝึกหัดเสียสละปล่อยวางเพราะว่าในที่สุดจะต้องเสียหมดจะเสียแบบถูกบังคับดีหรือว่าเสียแบบสมัครใจถ้าเสียแบบสมัครใจก็มีโอกาสจะได้พระนิพพานถ้าเสียแบบถูกบังคับเช่นเวลาตายไปก็จะได้แต่กองทุกข เวลาเป็นหมาเศรษฐีตายไปเนี่ยคิดดูเสียดายั้มมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านล้วรู้ว่าจะต้องพัดพากจากมันไปโดยที่ใจยังไม่อยากจะพัดพากจากมันไปมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายินดีพาคจากมันเสียปัตนนี้เพื่อเราจะได้ไปบวชไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวไม่นานไม่เกินเจ็ดปีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้พระนิพพานะ มีโอกาสเพียงชาตินี้ชาติเดียวนนที่เขารับประกันว่าปฏิบัติแล้วได้เจ็ดปีนะถ้าไม่มไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้อีกเจ็ดกับก็ไม่ได้นะเพราะไม่รู้จักทางไม่มีใครสอนเดินหลงอยู่ในป่าอย่างนั้นน่ะไม่มีทางออกเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะวันเหนือใต้อยู่ตรงไหน ทิศทางที่ออกจากป่านี้ออกไปทางไหนไม่มีไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ต้องรอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเป็นคนนําทางพอมีพระพุทธศาสนาปั๊บนี้พอปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าปั๊บนี้ถ้าบอกไม่เกินเจ็ดปีต้องต้องออกจากป่านี้ไปได้ป่านี้ก็คือมัตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองสังสารวัฏเนี่ย ที่พวเราติดกันอยู่นี่มาติดอยู่มาไม่รู้กี่ล้านกลับแล้วอย่าว่าแต่เจ็ดกับเลยแล้วก็จะติดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนชาตินี้จึงเป็นถือว่าเป็นเป็นชาติที่เหมือนกับได้โชคได้ลาบเหมือนถูกกอตเตอรี่แจ็คพอรตรางวัลที่หนึ่งนา น, นานจะเกิดสักครั้งหนึ่ง ตั้งแต่พวกเราเกิดมาแทงหวยแทงกอตเตอรี่มานี่เคยถูกกัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือยังเราคิดว่าชาตินี้จะถูกไหมมันไม่ใช่ของง่ายอาเนี่ยมาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นของง่ายพอได้เจอนี่มันยิ่งกว่าถูกกัตเตอรี่แจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งเอง่งนั้นทําไมไม่ไปรีบขึ้นรางวัลกัน่ะถูกกัตเตอรี่แล้วกลับถือกระดาษไปนั้นไว้ดีไม่ดีไม่รู้ว่าถูกจะด้วยซ้ําไป เดี๋ยวคนตลาดตันมาเห็นเข้ามันก็หลอกเราเฮ้ย hey, ทิ้งไปเถิดไม่ถูกแล้ว อ, อทิ้งไปปั๊บมันก็เก็บไปอพวกเราบางทีก็ไม่รูว้ว่าถกตะลื้อลังวันที่หนึ่งกันเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นรางวัลภายในเจ็ดในเจ็ดปีเท่านั้นเองใบปฏิบัติเจ็ดปีก็ได้รับรางวัลแล้วพระนิพา น, พานมรซี 4, ผลสี่นิพานหนึ่งไม่อยอมขึ้นเงินีย เอาลอตเตอรี่ทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ออกไปไปหาอย่างอื่นแทนไปทำงานตากตาเงินเดือนไม่กี่ตังค์แทนที่จะเอาเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเงินเดือนเป็นเงินรางวัลเป็นร้อยล้านพันล้านกับไม่เอากลับออกไปทำงานทำการหาเงินเดือนละเดือนละหมื่นละแสนพอใจแล้วเนี่ยถ้ามาบวชปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็ได้ละเงินร้อยล้านพันล้าน ถ้าอยู่ทํางานเดือนละเดือนละห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นก็หาไปเถอะจะมันตายก็ไปได้ร้อยล้านพันล้านเนาะทำไมไม่ไปขึ้นรางวัลกันเยวันนี้เรามาขึ้นรางวัลในการมาทําทานมาฟังเทศฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัตินี่อนสอนว่าต้องถือศีลต้องอสือศีลแบบนักบวชศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ ปฏิบัติทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลานอนเออการเจริญสตินี่ก็ถือว่าได้ปฏิบัติแล้วเพียงแต่บริกรรมพุทโธนี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปอันนี้ก็จะได้สติแล้พอได้สติต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมมันก็จะเป็นอัปปนามันก็จะเป็นสมาธิเป็นฌาน เป็นอุเบกขาสักดิ์แต่ว่ารู้เป็นปรามังสุขขังเนี่ยความสุขที่ได้จากความสงบนี่เหนือความสุขทั้งปวงพอได้ความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะติดใจก็จะเลิกขาวความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายได้ก็ไปอยู่เป็นพระไปบวชได้ที่ตอนนี้ไปบวชกันไม่ได้เพราะยังเสียดายความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกาย ยังเสียดายแฟนอยู่ยังเสียดายสามีเสียดายภรรยายอยู่ยังเสียดายขนมนมน้อยเครื่องเดิมชนิดต่างๆอยู่มันก็เลยไปไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันไม่มีของที่ดีกว่ามาแรกแต่ถ้านั่งแล้วทำใจให้สงบได้นี่มันได้ของดีกว่ามันทิ้งได้หมดเลยพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเทนี้ขนมน ม, น, มน้อยกาแฟนี่โยนทิ้งได้ไม่เดือดร้อน แฟนเพอนี่ทิ้งได้หมดเลยอยู่คนเดียวมันกว่าสนุกกว่าอร่อยกว่าอันนี้นะเราต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากจะไปเต็มรูปแบบต้องให้จิตรวมจิตสงบให้ได้ถ้าไม่รวมไม่สงบมันไม่มีทางจะไปหรอกมันไปก็หิวโหวยไปแบบหิวโหวยมันก็ไปไม่ไหว ไปได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับกันบวชไม่ได้ไม่กี่ปีก็เสกกันบางคนบวชได้นั้งสี่สิบปียังเสกกลับไปหาเมียเลยหาแฟนเลยแสดงว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันมันไม่ไปไหนแล้วมันไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นจิตจะสงบได้ก็ต้องอมีเวลาปฏิบัติแล้วมีเวลาปฏิบัติก็ต้องเลิกใช้เงินชเลิกหาเงิน เพื่อหาความสุขต่างๆหาเงินเท่าที่จำเป็นหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นก็พอไม่หาเงินมาเพื่อมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเวลาหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองกับกิเลสที่มาปฏิบัติธรรมดีกว่าถ้าเราหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆเดือนลหมื่นก็เหลือกินละกินเวล้กี่ตังค์กัน วันละร้อยก็อยู่ได้นะสมัยที่เราปฏิบัตินี่เรากินวันละห้าบาทสมัยก่อนของมันถูกกึ้ยเตี๋ยวจานมาสองบาทข้าวจานลาสามบาทกินสองจานก็อิ่มลนะนองนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องทำอะไร ถ้าจะหาหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ไม่ต้องมากอาทิตย์หนึ่งทำแค่วันเดียวก็พออีกหกวันก็เอามาปฏิบัติทำได้เวลาเราไปขายขายตรงก็ได้ทำอาชีพขายขายตรงไปขายประกันภัยหรือขายอะไรเนี่ยวันเดียวก็ได้ละได้เงินมาก็พอละอีกหกวันก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติทำได้ แล้วพอได้ความสงบปั๊กก็บวดได้บวดได้แล้วก็ปฏิบัติไปไม่นานไม่เกินเจ็ดปีอย่างที่พระเจ้าพูดนี่ตรงเป๊ะเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเจ็ดปีนี้เป็นอย่างมากนะบางคนแค่เจ็ดวันนั่นอถ้าลองได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แล้วเดียวเดียวนั่นเองบางคนเพียงแต่ฟังทำครั้งเดียวก็บรรลุ ก, กันแล้ว เห็นพวกเราอย่าอย่าเป็นไก่ได้พลอยรู้จักไก่ได้พลอยไหมนิทานไก่ได้พลอยไก่มันขุดคุยดินนี่มันหาอะไรหาไส้เดือนเนี้ยไหหาอาหารพอมันเจอพลอยมันกินไม่ได้มันก็เขีย่ยทิ้งเขียทิ้งถ้ามันรู้ว่าเอาพลอยไปขายได้นี่มันซื้อไส้เดือนได้ตลอดชีวิตนะไม่ต้องมาหาไส้เดือนทุกวันให้เหนื่อยยากกว่าเพราะเราก็เหมือนกันเนี่ย ถ้ารู้ว่าพระนิพานนี้เป็นเหมือนเงินแสนล้านนี่ยได้พระนิพพานแล้วไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตที่ไม่ไม่ดีกว่าลวุตสิตังบรมาจารย์อย่างเนี่ยพอได้พระนิพพานแล้วกิจในพรมาจารย์ก็เสร็จสิ้นลงไม่มีภารกิจที่ต้องทําอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการทําทานเนี่ยทําทานในเบื้องต้นเป็น เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินออกจากวัตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปได้เร็วขึ้นเท่านั้นทำได้น้อยก็ยังไปไม่ได้ต้องทำจนกระทั่งไปบวชไดนะ้ถึงเนี่ยว่าถึงว่าหมดหน้าที่ของการทำทานถ้ายังมีเงินมีทองอยู่ยังยาวเงินทองนี้ไปใช้ให้กับกิเลสตัณหาอยู่ก็แสดงว่ายังไปไม่ได้ ยังติดรูปเสยียงกลิ่นรสอยู่ต้องมีเงินซื้อรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาบำรุงบำเลอใจอยู่ก็ <c oughs> Über. จะไปไม่ได้ถ้าเราใช้เงินซื้อของเหล่านี้มันก็ต้องหาความสุขด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทำใจให้สงบพอปฏิบัต <c oughs> ิมันก็จะได้แล้ว <c oughs> <c oughs> มันก็จะได้ความสุขที่แท้จริงพระ น, นิพพานบลมังสุขขัง อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรามากันมาเพื่อนี้อันนี้ท่านนั้นเองทำบุญทําทานไม่ได้หวังเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาให้กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีอะไรอหล่านั้นมันมีอันนี้สง์แต่มันเป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักของเราก็คือให้เราหยุดการอาศัยเงินทองเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้เรามาเอาทม า, า, ามังสารนังกระฉามิเป็นที่พึ่งกัน้วยการปฏิบัติธรรม แทนที่จะหาเงินตอนนี้เราอ า, อาศัยเงินเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราหาเงินแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวกันได้ไปซื้อของที่เราอยากได้กันแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวๆได้มาแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางธรรม เราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองออกจากงานได้เลยทุกคนเนี่ยถ้าปฏิบัติทำได้ออกจากงานได้ทุกคนถ้าปฏิบัติทำได้อยู่แบบนักบวชได้บวชได้เป็นผู้หญิงบวชไม่ได้ก็ไปอยู่เป็นแฉลวในวัดนั่าแหะไม่นองกลัวหรอกการเป็นแฉลก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งือนกนการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย ท่านเรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการอ่ อ, อนน้อมถม่อมตนบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งต่ำต้อยไปบวดไปเป็นแจวต้องไปทำไปไปทากับข้าวไปคอยล้างถ้วยล้างชามอะไรหล่านี้มองว่ามันเป็นบุญเข้าใจนะบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น บุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าไม่มีอย่างนี้ ก, กิเลสไม่ตายนะกิเลมันชอบมักใหญ่ฝ่สูงเออกิเลมาบวชปั๊บมันอยากจะเป็นเจ้าวา่าเกันอยากจะเป็นหัวหน้ากันระวังนะพวกที่ไปบวชเนี่ยไปบวชปั๊บเดี๋ยวอยากจะเป็นหัวหน้าก็าแล้วอยากจะข้ามคิว อ้างต่างๆหนาวกัฉลาดกว่าเขารวยกว่าเขาเก่งกว่าเขาไอ้พวกที่บวชมานานนี่มันโง่สู้เราไม่ได้เราจะยาถึงมีมีกฎให้เคารพพรรษากันเป็นพระนี่หักข้ามคิ้วไม่ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาจักรพรรดิมาบวชก็ต้องไปอยู่ท้ายแถวนู่นเวลาเดินบินระบาดก็ต้องอยู่ท้ายแถวเวลานั่งฉันก็ต้องอยู่ท้ายแถว ไม่ใช่พอบวชปั๊บก็มาจับนั่งอยู่หัวแถวซึ่งสมัยนี้ก็มีบางคนเขาทำอย่างนี้กันเกง อ, อกเกงใจกันพอมีตำแหน่งใหญ่โตหน่อยพอมาบวชปั๊บเลยให้ไปนั่งหัวแถวก็มีหรือบริการเหมือนกับเป็นเจ้าวาดเลยก็มีนี่บวชไปทาไมบวชอย่างนี้มันไม่ได้บวชฆ่ากิเลสมันบวชมาแบบยกย่องสรรเสริญกิเลสมากกว่าอัตตาตัวตนไงโมหะความหลง ว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตถ้าใหญ่โตมาบวชทำไมใหญ่โตก็ไม่ต้องบวชนะเอาละนะเดี๋ยวจะให้พรแล้วคอยถวายข้าวของทีหลังยะท้าวาเรกวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกบปติ อิทิตังปฏิตังต um ุมหังคิดปะเมวะสมิตาตุซาเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิต so ิโยวิวัจจานตุสะพารุโคลวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีริธะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธัมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางสนใจที่ไหนเสิว่าง เได้กี่รสสองครับสิบสองสิบสลาเลยครับเป็นเพื่อนใ่โยมแมนที่พ่อเขามาบวชที่นี่อ๋อครับเ็นประกาศอาจารทีห่กอนหนึ่งโยมปะมี้คมาสักสมปีที่แล้วก็ที่ชื่อสุข้าเอะใ่ยังยังสบายดีก็เสร็จไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยกลับไปอูบ้านนะ เป็นโรคภัยแค่เจ็บหลายโรคด้วยกันครับแล้วก็อย่มาครับอยู่อยู่เป็นผ้าไม่สะดวกครับดูแลร่างกายไม่ไหวเคยมาเยี่ยมทีมก็เลยได้อากาศกันตอนนี้มีขร้อะไรหรือเลาเขามามาเยี่ยมมาาหลวงพ้อมาจับหลวงพ่อไม่เคยมาเมื่อกยบกข่ามูลนั้นได้ยินเสียงทำไ ได้แต่ไม่ช่วยชักเลยไม่มีลำโพงครับก็ไม่มีนะการจะบวชเป็นแนวเท่าไหร่ล่ะก็ตามกําลังนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดแต่เสร็ครับพยายามปฏิบัติแต่เนิ่นๆครับถ้ามีทำเหล่าเล้งจิตใจมันก็ไม่อยากจะเสร็นะครับถ้าไม่มีมันก็ใจมันก็จะร้อนครับร้อนระเรื่อมันก็ทนอยู่ไม่ได้ครับ มันต้องพยายามมีทำไว้หล่าเลี้ยงทำเหมือนน้ำดับไฟดัแบบที่เหลสปัญหาความอยากของเราพยายามเข่งครัดต่อข้อวักปฏิบัติต่างๆเป็นธรรมทั้งนั้นการบินธบาการทำจิตใวัดว่าพระวินัยสองร้อยยี่สิบ ข, ข้อพุทโธวัดเป็นธรรมปากกิเลสเป็นน้ำหล่าเลี้ยงจิตใจคอยทำให้ใจยเย็นให้ใจสบาย อยู่ใกล้ครูบาจารย์บวชหน่ยเรายังไม่รู้ซื้ชาความรู้เรายังไม่แกะค่าต้องอาศัยครูบาจารย์ถอยอบรมบ่มสายให้กับเ่าจนถึงมีพระวิ น, นัยบังคับให้อยู่กับพระอาจารย์ห้าพันห้าพันศากันไปเพราะเรายังเป็นไกลอ่อนทัดอยู่ถ้าไปอยู่เดียวเดี๋ยวก็ตายโดนโดนตัวจุดตาย ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ฝึกฝนอปรมพยายามอยู่กับท่านตระหยากไปไหนอยากออกข้างนอกเข้าข้างในใจออกข้างนอกเป็นไฟใจเข้าข้างในเป็นเป็นดายทิ้นเป็นเครื่องต่ประกาศข้างในเราเย็นออกข้างนอกเราร้อนเห็นลูกเห็นเจียงได้ยินน้อยเดือดได้เห็นน้อยเดี๋ยวใจมันจะร้อน ถ้าพุทโธพุทโธก็ไปเดี๋ยวมันก็เย็นพยายามดึงใจให้เข้าข้างในถ้าไม่มีความอยากเป็นก็อยากไปออกไปข้างหน้าพาลัจิตนิมนตก็อยากไปทังวัดบางท่าให้ไปป่ะไม่มีไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่รับเลยไม่รับเลยนอกจากนั้นนานทีไม่มีเคยมีนี่เคยผ้ามาจากก็มีที ที่ก็จําปีที่แถวเซียร์แคลนแถวญาติของโยมอุปถาคิดเกิดร้านแต่เป็นยาทุกตัวที่ตัวเน่าอกนันก็ไม่มีเดี๋วน่ะเจ็ดน้มนนี้ทาลายพรามากกว่าช่วยพรเจ็ดนิมนต้องให้ไปของอุบาจาร์อุบาจาร์นี้ท่านไม่มีปัญหานะติดท่าเย็นนะอยู่ข้างใน หรือแม้ร่างกายจะไปห้างนองจิตก็ อ, อยู่ข้างในไม่เหมือนพวกเราพอร่างกายไปห้างนองจิตมันก็ออกไปห้างนองด้วยให้เ ร, เราต้องดึงใจให้เราอยู่ข้างในให้เย็นหน่อยเย็นแล้วก็ต่อไปก็จะสงขงเคราะห์ญาติโยมตามกรณีก็ทำไปตอนนี้พยายามปฏิบัติให้มากศีนสมาธิปัญญาเจดงขวัตความเพียรเดินเดืงกรมนั่งสมาธิอย่าไปทาอะไรนอกนั้น ถือว่าเป็นการกระทํานอกคําสอนของพระ เ, เจ้าเป็นสิริรัตน์กระบารมีถ้าทําโดยไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจะทํายายเป็นกิจนอกก็ต้องทําด้วยมีเหตุมีผลเช่นจีวรขาดต้องซ่อมต้องปาต้องเย็ดอะไรก็ว่าไปบาดหายต้องมาหาบาดใหม่แตถ้าไม่มีเหตุแล้วอยาไปยุ่งกับมันจีวรจะหมไปบาดก็เก่าก็ใช้เรื่อยไป กุตกุติถ้ามันไม่จําเป็นจะต้องซ่อมก็ไม่จาเป็นซ่อ ม, มไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปต่อเติมเสริมสร้างให้มันรู้หละอยือพอหลแบแดดหลบฝ น, นได้ก็พอนักน้อยสันโดดนะนักบวชต้องนักน้อยสันโดษแล้วจะเจริญก้าวหน้าในธารถ้ามากๆแล้วก็จะก็จะตกเหว ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมอาจารย์ผมยังถามว่าเมื่อเมื่อประมาณตอนถึงเชนยนอยุ่ผมได้มาถามอาจารย์ที่นี่ตอนประมาณสามปีที่แล้วผมถาม่อาจารย์เกี่ยวกับว่าถ้าผมดู้จิตอยู่ท่านบอกว่าเออให้เรานํำจิตนะอย่าอย่าตามจิตดูจิตแต่ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้อ่า พลอยเหยียดนอยครับว่าให้นําจิตใ น, ต น, นท่านานแบบใดใการจิตแล้วก็ปล่อยให้มันคิดเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ดึงมันไปที้จิตท่วนใหญมันจะกีเหลวเป็นตัวนําไปถ้าปล่อยให้มันไปเราตามมันมันก็มันก็จะไปทางกิเลวถ้าเรานําจิตแล้วก็ดึงมันไปทางธรรมได้เช่นเะราใช้พุทโธพุทโธดึงมันให้มันเข้าข้างในได้ว่าใช้ธรรมนามใจอย่าไปตาม ตามรู้ตามจิตเพจิตเราตอนนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโนะ่นโนตามมันมันก็พาเราไปหากิเลสท่านที่สอนก่าอย่าอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติควบคุมต้องหยุดใจอย่าไปปล่อยใจต้าให้มันหยุดคิดเพราะความคิดมันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนนี้มันไปทางกิเลสท่าน ให้มันหยุดคิดก่อนยุดคิดแล้วมันมีความสงบเมื่อมันมีความสุขมีความอีกมแล้วมันจะไม่ไปทางกิเลสนี้ก็ให้มันคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางของสุภาษคิดไปในทางตรลักษณ์ก็ยังต้องใช้ธรรมนามันไปถ้าไม่ไม่ใช้ธรรมนามันมันก็ไม่ไปมันไม่ชอบมันไม่ชอบสุภาษมันวันนึงคุณพิจารณาสุภาษได้สักกี่รอบเมื่อถ้าสมมตมีอะไรที่ปุจจัยที่มาจากจิตเนี่ย เป็นสมมติจะเป็นเรื่องราคะสงครามมหาเราก็พยายามที่จะพิจารณาเป็นท่ากรรมฐานไปเลยครับให้มันให้มันแบบว่าให้มันสว่างไปเลยครับแบบว่าให้ให้มันไม่ปึงแผงต่อได้มันหยุดไงต้องหยุดครับที่จะหยุดมันก็หยุดได้สองวิธีหยุดด้วยสติแล้วหยุดด้วยปัญญาครับถ้าหยุดด้วยสติก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดพอมันไม่คิดกิเลสมันก็หยุดคิดมันก็ภากตัวไป มันก็ใจก็สงบเย็นสบายือก็จะหยุดมันด้วยปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นอสุภะทำเกิดการมาราคะขึ้นมาก็าพิจรารณาด้วยว่ามันเป็นอสุภะมันไม่ใช่เป็นสุภะถ้าเห็น่อสุภะแล้วเดี๋ยวการมาราคะมันก็จะดับไประดับอย่างถาวรระดับด้วยปัญญาระดับด้วยสติมันจะดับชั่วคราวพอหยุดหยุดพุดทธทวเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็คงกลับขึ้นมาใหมา่ได้ ขอการคราจารถ้าสมมุติว่าเราพิจารณากายกับจิตเราเนี่ยแล้วมัน เ, เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วว่ากายกับจิตมันทําแยกจากกันแล้วเนี่ยผมเริ่มพิจารณาที่จิตกับอาคารของจิตเนี่ยเราเราพิจารณาเป็นเป็นไตรลักษณ์เพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้ให้มันเห็นเป็นเป็นเป็นไตรลักษณ์ได้ไหมครับอรย์ได้แต่ เรื่องพิจารณาร่างกายนี้ยังไม่สสแสดงว่าเราจบเข้าใจไหมการพิจารณานี้เป็นเหมือนกับการทําการบ้านครับเราต้องเข้าห้องสอบก่อนหรือว่าเร า, เาปล่อยวางร่างกายได้จริงหรือเปล่าครับก็ต้องไปหาไปหาอะไรที่มันน่ากลัวดูครับแล้วดูซิว่าปล่อยปล่อยร่างกายได้จริงหรือเปล่าว่าไปดูผ่าศพมาอาแล้วก็พิจารณา แก <Yeah, S 2> ออกมาว่าอันนี้ก็ยังเป็นการบ้านอยูเป็นคําบ้านต้องไปหาต้องไปให้หมอเขาบอกว่าเป็นมเะเร็งเหลือสามเดือน <c oughs> แล้วนั้นถึงจะรู้ว่าจะปล่อยได้ไม่ปล่อยไม่ได้ <c oughs> ถ้าปล่อยได้ก็เฉยไม่รู้สึกการเดือด้อนอะไรครับ <c oughs> ถ้าหมอบอกเหลือสามเดือนแล้วใจก็วุ่นผุ้ใจตกลงมาอยู่ที่เท้าแสดงว่าบตกตก <c oughs> แล้วแล้วการที่เราจะพิจารณาที่อาการของจิตกับ กับจิตยแยกหรือว่าต้อง <c oughs> ต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยร่างกายก่อนค <c oughs> ืออย่าเพิ่งไปยุ่งกับการจิตมันยังมันมันข้อสอบมันยากกว่ามันเป็นแล้วแล้วถ้าเราเที่ที่ผมพิจารณาก็คือเวลาที่จิตเราฝึกสร้างเราเราเราดูความคิดว่ามันเป็นใจรักแล้ว เ, เกิดความสงบแล้วเข้าสู่ความสงบอันนั้นเป็นกันเป็นการโดยปัญญาเป็นปัญญารมสมาธิมันยังไม่มันนี่มันยังไม่ได้เป็นปัญญาขั้นระดับจิต มันต้องผ่านร่างกายไปให้ได้ก่อนถ้ายังติดอยู่ที่ร่างกายนี้ยังเข้าไม่ถึงตัวจิตครับปล่อยร่างกายได้หรือยังไม่กลัวตายไ ย, ยังไม่กลัวเจ็บไม่ยังทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่กับมันได้ครือ่าหรือทุกขกับมันเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเฉยไม่เดือดรอนเจ็บก็เจ็บไปเวลาจะตายเดือดร้อนหรือเปล่ปาต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อน ปล่อยกามอารมณ์ให้ได้ก่อนมันเกี่ยวกับร่างกายเห็นหน้าตาสวยๆงามๆยังเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอยู่ก็ ค, คือเรื่องที่ต้องแก้ให้ได้ก่อนก่อนจะเข้าไปถึงตัวจิตได้ตัวจิตมันไวกว่าตัวร่างกายถ้าร่างกายยังจับมันไม่ได้ไปจับตัวจิตได้ แต่เข้าสมาธิด้วยด้วยวิธีไหนได้ใช่ไมวิธีไหนก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้แต่อันนั้นมันเป็นเพียง ป, ปัญญาท่านเข้าสู่ความสงบเท่านนเอยังไม่ได้ตัดกิเลสคือมันยังไม่ได้ละ อ, ะอะกิเลสที่ไปยึดไปติดกับร่างกายครจะปล่อนวางร่างกายได้ต้องมีห้องสอบเนี่ยไป ห, หมอหมอเป็นโรคมะไรองสามเดือนตายเนี่ยอยู่ที่ว่าใจ ก่อนที่จะได้ยินข่าวกับเวลาที่ได้ยินข่าวนี่เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าปล่อยอแต่ถ้าพอได้ข่าวว่าเป็นเะไรใจหายวูบนี่แสดงว่ายังไม่ได้ปล่อยเวลาเจ็บร่างกายเจ็บปวดทามนันได้หรือเปล่าหรืออารมณ์เสียไปหมด เวลาเจ็บก็ไม่เจ็บถ้าใจเท่ากันนี้อ่ะแสดงว่าใช้ได้ไม่ใช่ตอนเวลาไม่เจ็บจยิ้เแย้มแจ่ใสพอเจ็บขึ้นมาหน้าบูด ห, หน้าเดียวขึ้นมาแสดงว่าใจเปลี่ยนนะใจไม่ไม่เป็นกลางนะใจไม่ปล่อยวางเงั้นต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางความเจ็บให้ได้ก่อน คือไม่ทราบจะมีวิธีการยังไงที่จะระงับความเจ็บนอกจากความทนไม่ให้ไม่ให้ระงับความเจ็บให้อยู่กับมันให้ระงับความจะใจ้ความใช้ทนเอาไม่ไม่ใช่ให้ใช้ทนเอาให้ใช้ปัญญาให้รู้ว่าความเจ็บนี่ไม่ได้เป็นตัวตัวตัวทุกตัวทุกคือตัวความอยากให้มันหายเจ็บถ้าเห็นว่าเจ็บทุกนี่ทุกเพอยากจะให้ความเจ็บหายไปพอหยุดความอยากให้มันหายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บ จะอยู่กับความเจ็บได้นี่เราไปแก้เจ็บที่เราไปแก้ที่ความเจ็บความเจ็บแก้มันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาตองมาแก้ที่สมุทัยในความอยากให้มันหายเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปอยากไปให้อยากให้มันหายอาชอบความเจ็บไว้เวลามาแล้วอยากไม่อยากให้มันไปอย่างเงี้ยใช้ได้ถ้ามาแล้วอยากให้มันไปเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้ามันมันมาแล้วไม่อยากให้มันไปก็ดีเลยอยู่กัมันเจ็บเท่าไหร่ก็อยู่ันยินดีต้อนรับเสมออย่างนี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมาเพื่อดับความเจ็บมาดับความทุกข์ต่างกันความทุกข์นี้เกิดจากสมุทยัยตันหาความอยากส่ก <c oughs> ารเจ็บนั้นเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังวนัตตาของร่างกายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวบ้างเดี๋ยวก็สุดเดี๋ยวก็ทุกเสื๋ยก็ไม่สุดไม่ทุกขมันสลับกันไปเทศนาสั่งมันไม่ได้อยู่ๆเดี๋ยวเกิดปวดหัวขึ้นมาเป็นไข้หวัดขึ้นมาไอ้สั่งมนนันไม่ให้เป็ดไม่ได้มันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปอย่าไปทุกข์กับมันบของกันครับก็คือเป็นคือว่าปล่อยวางมันจะได้ไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็คือก็รู้ว่า สั่งแต่ว่าเป็นความเจ็บแต่เราปล่อยวางพอจะได้เออให้ใจเราไม่กระเพื่อมใช่เออใจไม่กระเพื่อนก็ต้องเห็นว่ามันกระเพื่อนเพราะมันเกิดตัณหาที่มันเกิดตัณหาแเพราะมันไม่เห็นตายรักษณ์ในความเจ็บมันไม่เห็นว่ามันห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันต้องเห็นว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เมื่อเห็นเมื่อรู้ว่าสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยเหมือนฝนฟ้าจาเราไปทุกข์กมาเนี่ยว่าเวลาฝนตกเราไปทุกข์ก็มาเนี่ยว่า เพราะเราเราลุ้นไปสั่งมันไม่ได้สั่งแล้มันหยุดไม่ได้มันจะตอบก็ปล่อยมันตอบไปก็อยู่ก็มันไปความเจ็บก็เหมือนกับฝนเนี่ยมันจะมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายก็ทําใจให้เป็นลักษณะโยคันก็โทษอยากจะรู้ว่าทําใจได้แตลว่าต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ดูว่าใจเป็นยังไงถ้าใจอยากจะให้มันหายอยากจะลุกก็แสดงว่ายังทําใจไม่ได้ เข้าใจไหเนี่ยผ่านในตัวนี้ให้ได้ก่อนาตัวเจ็บให้ด้กัอนแล้วก็ไปเล่นกับตัวจิตอีกทีตัวจิตมันมันไวกว่า น, นี้เร็วกว่า น, นี้ยากกว่า น, นี้เล่นตัวร่างกายกับตัวเจ็บนี้ให้ได้กไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายให้ได้ตายก็ได้อยู่ก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้อย่างเงี้ยแล้วค่อยไป แล้วต้องไปหาตัวอสุภะต่อก่อนคือถ้าเห็นอสุภะแล้วทีนี้มันก็จะไม่มีการอารมณ์นี้ทีนี้มันก็เข้าไปตัวกิตได้แล้วผ่านตัวร่างกายผ่านด่านแรกเลยคนยังไม่ได้ผานด่านแรกคนจะเข้าด่านที่สองได้ยังไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีจะไปเรียนปริญญาโทได้ก็ไม่ให้เรียนนะนะลองผอนร่างกายให้ได้ก่อน แต่บางทีเวลาจิตวุ่นวายก็พิจารณาจิตได้พต่ส่วนใหจิตเป็นวุ่นวายก็วุ่นวายกันเรื่ของร่างกายไม่ได้มึอะไรกับเรื่องอมมันวุ่นวายกันเรื่องความเจ็บแล้วมันก็ต้องมาพิจารณาร่างกายพิจารณาความเจ็บอยู่ดีเพื่อปล่อยวางพอปล่อยวางจิตก็จะไม่วุ่นวายจิก็จะสงบได้มียะไรไหมเวลาเราจำบ้างแล้ว บางทีช่วงที่เซนเฉลียวมจะมีเกี่ยวกับพวกเวรนาทางกรรมยาเข้ามาแล้วเราก็ใช้ตัวที่เราเคยพิจารณาอยู่ก็ปพิญญาเป็นกรรมท่าไปอันไหนทันมก็จะจะหายไปมันก็จะมีตัวให ม, ขหม่ขึ้นมาไหนไม่ทันก็จะนานหน่อยแล้วก็ปรับก็ก็หายไปเหมือนกันมางเราทัานก็ทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสามมันจะขาดเออจะเงาไม่แม้โถงขึ้นมย ถ้าถ้าคือถ้าไม่พองขึ้นมาอีกก็คือขาดก็คือว่าก็ก็แค่ตรงนั้นแค่นั้นก็ถ้าไม่มั่นใจก็ลองล่อมันขึ้นมาดูเลยก็กระปุงมันท่มือเองกรองมันเองแล้วดูว่าจะจะมีอารมณ์กับมันหรือเปล่าครับอย่างอย่างเรื่องเรื่องกรรมราคาเนี่ยถ้าถ้าเวลาผมผมมีมีสัญญาเก่าเกิดขึ้นมาเนี่ยผมใช้ อสุภะตัก en ทุกครั้งเพื่อ <Akt ans S 1> ครั้ <th> ไป <ấy S 1> อันนั้น<ม>คือยังเป็นสติหรือว่าเป็นอัตโนมัติแล้วครับเออถ้าตัดได้ทุกครั้งตอนมันไม่โผล่ขึ้นมามันก็แไดงอ <คะ S 2> ัตโนมัตก็คือถ้าถ้าขึ้นมาถ้าขึา้นมาป้นรถเหยื่อมันได้เลยกอ็อันนี้ยังเป็นสติอยู่ใช่ไหมครับหรือว่ามันก็เป็นปัญญาถ้ามันไม่ขึ้นมาเลยมันจะไดงว่ามันถึงมันถึงจนหมดถ้ามันยังขึ้นมาก็แสดงว่ามันไม่หมด มือนตบหญ้าตัดยญ้ามันโผล่ขึ้นมาอยู่ด้วยเราต้องถอนว่าถอนโทนมันขึ้นมาแสดงว่าอสุภะเรายังไม่ต่อเนื่องบางเวลาเผลอก็ยังไปคิดทางสุภาอีกเราก็ต้องใช้สติตัดต้องใช้ต้องใช้ใชสุภาตแต่แต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยพอเราเระลึกเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นหน้าเป็นผู้หญิงขนาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นหน้าเป็น คงกระดูบไปเลยอ่าก็ดีดังนั้นมัก็กล่ามันราคาก็ไม่เกิดมันจะตัดลงไปเลยอ่ก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกล่วมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเลยพอหายไปเลยอ่าไม่ขึ้นมาเลยพอขึ้นปั๊บมันก็ถูกตับปั๊บขึ้นมาปัก็ถูกตัดปับต่อไปมันก็ไม่ขึ้นมาเหมือนนกกมวยพอมันลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยมันให้มันล้มลงไปต่อไปมันก็ลุกขึ้นมาไม่ไหวมันก็ยอมแพ้เพราะว่าตอนช่วงช่วงพรรษาแรกเคย เคยพิจารณาเป็นเหตุผลว่าถ้ามีแล้วมันมันไปใช้เป็นเหตุผลทางโลกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอภรษาเนี้ยไปพิจารณาเป็นอสุภะไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันจะเบาเหผลก่อนใช่ครับเพราะเหตุผลนี่มันยังมันเป็นโลจิมันยังหล่อเขาได้ครับเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าแบบนั้นจะจะใช้ได้แต่ว่าอพอพอมาใช้พิจารณาอสุภะรู้สึกว่ามันมันตัดไปมันไม่ถึง้าของหลงเนี่รากของมันคือความหลง ยังไปหลองว่าร่างกายสวยงามอยู่ครับควาจริงร่างกายมันน่าดูที่ไหนครับแต่ต้องมาหลอกกันด้วยการทําเผ้าทําผมทําคิ้วทําอะไรมันถึงจะดูว่าพอจะเขาขึ้นเวทีนางงามได้ถ้าไม่ลองไปทําเผ้าทําผมทำอะไรไปประกวนางานก็แพ้เขาทุกทีแลยหน <c oughs> ้อาสวยขนาดไหนต่าง <c oughs> ไใช่ไหมนั <c oughs> ม่นปรุงแต่งมันหลอกกันครับ <c oughs> ที่ไหนมันหลอก หลอกจิตคุณแต่งร่างกายให้ดูถ้าเหมือนเนี่ยเป็นลางฟ้าร <c oughs> างฟ้าห้านาทีสิบนาที <c oughs> เดี๋ยวเหงือแตกพักกิ่นย่อออกนะเข้าใจนะแค่นี้ดีั้ยถ้าต้องการมึงซื้อทีดีก็เทรนอีกแล้วนะปปฏิบัติไปเรื่ยอยๆมันก็ถึงเงี้ย ตอนนี <This> ้ท่าจาอยู <The S 2> <course> ่ป่ะมีท่าเยอะไหมสี่สิบสีครับแล้วมีผ้าต่างประเทศหอเปล่มีเือไม่ค่อยเยอะเดียวหลีลูกเือสัี่ห้าลูกมั้ครับ แล้วที่อยู่พออยู่กันนะสี่ที่นี่กสิทยิ์นะสี่ลสหลังเลยกุฏิกุฏินี่แยกกันไหแยกแยกเป็นกุฏิกับทางเดินโมของอยู่ใกล้กันไห ม, มก็ไม่ไม่ใกล้กัในใช่แยกสงบดีดีได้ดที่ดีก็อยู่ไปอมุทนาขอเจริญในธรรมนิ่งยิ่งเพื่อนใจนะ จริงๆวันนี้คุณแพ้ตั้ขึ้นมาเลยตั้งใจจะพาถามเงั้นถามเหรอแต่พอพอได้ฟังแล้วมันมันเนื้อค่ะหลวงพ่อก็เลยไม่อยากถามนะเข้าใจแล้วะได้คําตอบแล้วก็เลยคิดไปไปปฏิบัติต่อเพราะถ้าดูไปผ่านที่บ้านได้อีกสุดสี่วันนี้ก็คิดว่ามันต้องผ่านการทดสอบอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องปฏิบัติได้ทุกที่ถึงจะถือว่าเก่งใช่จ้าค่ะ แล้วก็หลังแก่นั้นก็จะออกมาอยู่สีวันโดยที่อยู่คนเดียวจะเป็นยังไงจะจะกลัวผีไหมเราจะขี้เกียจไห ม, มเพราะอยู่กับคุณยกเนี่ยถือว่าได้พี่เลี้ยงดีเพราคุณจยกตื่นตีสามปุ๊บลูกก็รีบตื่นตามปฏิบัติตามอาะไรเนี้ยก็อยากจะดูว่ามเวลาเราอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงพอดีต้องทดลองหลายรูปแบบใช่ค่ะเน้อที่สุดแล้วต้องอยู่ของเราคนเดียวได้ปฏิบัติของเราคนเดียวได้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอไม่ ไม่ขึ้นขึ้นลงลงถึงเวลาก็ปฏิบัติแล้วคิดว่าตอนนี้เราก็พร้อมทุกอย่างแล้วเราควรจะเลี่งได้แล้วจะมาเสียเวลาทําไมอะไรนนะเราก็ไป่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่พุ่งเกิดหัวน็กพื้นไปตอนนี้เลยเลอะไอคิดอย่างนันถูกครับคนสองคนนึงก็จะได้ฟังถามคนนึงก็จะได้ฟังกันบางคุณแดงเขาถามถึงเรื่องว่าถือสิงแสตลอด ตัก็ที่แรกจะถามงพ่อว่าถ้าลูกจะอธิษานว่าจะถือสิมเแปลกตลอดเนี้ยมันจะได้ไหมหรือว่าถ้าเราเสียสัจจะมันจะไม่ดีลูกอะไรก็อยากไปทดสอบที่บ้านมาก่อนดูสิ่งแปลจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเอาทีละเจ็ดวันต่อมันไปเรื่อยๆดีกว่าอ๋องอย่างเงี้ยนั่นเราจะขาดเรื่อยๆแล้ยังกว่าเราจะมั่นใจว่าปีวันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ก็ไม่ต้องไปตั้งสัจจะพรรู้รักษาได้มันก็รักษามันไปเอง ถ้ามันรู้คุณรู้โทษมันก็จะรักษาเองเนี him. ่ยถ้ามันรู้รักษาศิ่งแปดมันเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษมันก็จะรักษาศิ่งแปดเองถ้ามันยังคิดว่าเป็นโทษอยู่รักษาศิ่งแปดแล้วเที่ยวไม่ได้นอนกับแฟนไม่ได้มันก็มันก็อย่ารักษาไม่ได้แต่ถ้ามันรู้ว่าเออไม่อนอนกับแฟนก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้ความสุขมากกว่านอนกับแฟนอมันเป็นคุณมากกว่าโทษมันก็จะรักษาเอง ตามที่เราทําอะไรนี้ถ้าเรารู้คุณรู้ทรเท่ษเราก็จะทําไม่ทำใช่ไหมถ้ารู้มันเป็นคุณมันก็จะทำรู้ว่ามันเป็นโทษก็จะไม่ทำนั่นการตั้งสัจจานี้อย่าอย่าไปตั้งแบบไม่มีขอไม่มีเขตมันเดีย๋ยวมันทําไม่ได้แล้วมันจะเสียสัจจะใช่ใช่คต้องดูกําลังของตัวเองไม่ต้องไปตั้งมนานรับตั้งแต่ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งมันทําไปง่ายทำไม่เป็นมากทํา ถ้าตอนนี้ลูกก็พยายามระลึกถึงความตายทุกเวลาว่ารีบทำนะถ้าเธอตายตอนนี้ยังไม่ทำใจอ่ะปล่อยบ้างอยากไปบองข้อสอนเธอเสียชาติเกิดนะอะไรเงี้ยแม่ไปรีบขึ้นรางวัลเนี่ยถูกแบตเตอรี่แล้วเนี่ย <c oughs> นั่น <c oughs> ไม่ใช่เนี่ยเสียใจขนมนมเนยร <c oughs> างวัลไม่เอา <c oughs> ไม่กินมื้อเย็นกินมื่อเช้าตั้้าีกว่ารสแทนมไม่ดูมันเป็นขี้นะเวลากินขนมเห็นล็อกตอนก่อนที่เห็นขี้ไม่เห็นมันเป็นขนมอยู่ดีครั้งเียวลาขี้ออกมาวนี้เนี่ยที่ของกินเมื่อเช้าเนี่ยหรือเมื่อวานเนี่ย ก็คิดอยู่แล้วก็เลยคิดตลอดนะคะก็มันก็ยังสามารถแยกขนมจากขนมที่แต่ที่ตอนแต่งเวลากินมันมันไม่ไม่ยากอะไรมันมันเป็นขนมอย่างเดียวตรงนี้เห็นเห็นเห็นที่คนบางคนเริ่มต้นด้วยเชอคิดว่าเยอะๆอย่าเงี้ยแต่หนูก็เข้าใจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนหนูใช้ใช้แบบว่าพยายามใช้อดทนใช้กดเอาไว้ แต่พอพิจารณาจริงหนูพิจารณาเรืเอร่องปฏิโเนี้น้อยมากหรือแต่เดิมไม่เคยคิดถึงมันนะคะหรือว่ า, อ า, อายอมยอมจะก่อน <c oughs> อร่อยยอมอร่อยเดียวๆความสุขแค่ปลายินแล้วก็ขายเป็นทาสของมันไป <c oughs> วันไหนไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็ทุกข์หนุดหนิตใจถ้าไม่ติดมันก็สบาย ทั้งวันนี้เราดื่มน้ำเปล่าได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดน้ำเมื่อก่อนก็ติดโค้กติดกาแฟเหมือนกันแต่ไม่้ติดแบบรุนแรงติดแบบว่าถึงเวลาต้องกินแล้วไหมถึงเวลาต้องกินแต่มันจริงๆเลิกมันเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่มันก็ยังมีกินก็กินไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันถูกบังคับไม่ให้กินร่างกายมันมันไม่ตอบรับแล้วนน้ำตาลมันเกินแล้วมันเริ่มไม่สบายแล้วเวลากินของหวานๆมากๆมันก็เลยต้องตัดไปโดย โดยอำนาของของเรื่องของร่างกายไปแล้วทั้งวันเนี่ยเดื่ดแต่น้ําเปล่าเด๋ยวแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นตายเนี่ยมันก็สบายดีไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปหาน้ําตาลหากระติกหาน้ําร้อนก็ไกินแล้วก็นำมาล้างถ้วยล้างอะไรอย่างเงี้กินพวกโยนทิ้งไปเลยเสร็จนะสบายร่างกายมันต้องการแค่น้ํเท่าอไม่ต้องการาการสอะ รถที่มากับกาแฟเน ม, มันไม่ต้องการไม่ต้องการน้ําที่มากับกาแฟอาจารย์เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยเราคุยแค่เรื่องว่าหนูเคยโดนพระอาจารย์บอกว่าสวดพุทชมแล้วจะหายป่วยเสร็จปุ๊บพอมาถึงค่ำเมื่อวานเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเขาบอกจเจริญสติแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเองใช่ไหมพระอาจารย์ก็ตอบว่าไม่ใช่ มันต้องเอามาค่าควรอย่างที่เร า, เาที่เราทำกันอยู่ตอนเนี้ก็จะตรงที่คข้ควรตรงเนี้คือเรียกไหวอ่านเ้ว่าธรรมวิจัยยะปะเดียวกันนั่นแหละมันใช้ชื่อต่างกันธรรมวิจัยไงวิจัยก็ค่ควรใช่ไหม <c oughs> เวลาคุณหมอทำวิจัยเรื่องอะไรมันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลใช่ไหม <c oughs> การค่ายควรก็ใช้เหตุใช้ผลเหมือนกันภาษา พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่มีการศึกษามากมีมีการใช้ภาษาได้หลายระดับท่านพูดกับชาวนาชาวไร่ก็พูดภาษาชาวนาวชาวไร่พูดกับผู้มีการศึกษาท่านก็พูดระดับของผู้มีการศึกษาแต่มันสรุปแล้วมันก็ตัวเดียวกันนะคำสอนพระเจ้าทุกคําสอนนี้ท่านบอกมันเป็นมาร์กทั้งนั้นน่ยมันมาร์กแดมันอยู่ในเนี้ยอยู่ในมาร์กแทั้งนั้นน่ย ลองพิจารณาดูโพดชงนี้ก็มรรคแปด อ, อิทธิบาทสี่ก็มรรคแปดฉันทาวิริยะันะวิริยะก็อยู่ในมรรคแปดนะจิตตวิมังษาวิมังษาก็ไข้ควรก็ธรรมวิจโยก็ตัวเดียวกันนี่มันท่านก็แค่ว่าอาจจะฟังพูดซ้ำๆๆคนอาจจะเบือ่ออะไเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเปยนคานิยามบ้าง ฟังแล้วมันจะได้ไม่ไม่เบื่อมันเหมือนกันทั้งนี้นมรคแปดโพชฌงอะไรอิทธิบาทสี่ภาระหา้านี่มันก็เหมือนกันฮเป็นมรคทั้งน้ภาระห้าก็มีอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะ <c oughs> ทานศีลภาวนาก็มักเหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปโปรก็เหมือนกันถ้าศึกษาจริงๆแล้วถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเราก็รู้ว่าเป็นมากเ่านั้นพระเจ้าบอกคำสอนของเราแม้จะมีมากมายเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรแต่มันมีรถอันเดียวคือวิธีการดับทุกข์ท่านแสดงเรื่องทุกข์ละวิธีการดับทุกข์นั้นเหมือนหมอไปหาหมอหมอจะคุยเรื่องอะไร หมอคุยเรื่องยาเรื่องวิธีรักษาโรคให้เราฟังใช่ไหแเราเป็นอะไรไปหาหมอไปแล้วหมอก็บอกเออเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องรักษาด้วยยาอย่างนั้นอย่างนี้นโรคมันมีหลายโรคศีรษะก็ต้องใช้ยาแบบหนึ่งโรคท้องก็ต้องใช้ยาแบบหนึ่งการรักษาแบบอันนี้ก็เหมือนกัน มาปฏิบัติเที่นี้ได้เห็นความถกทางกายถูกทางจิตกับหลังก่อที่เจือดวลสัตวเทสะมาหน้าตาที่หนองพ่อเทศนนะาค่กับเวทนานัาตาเนี่ยที่บอกว่าที่หลวงพอเทศมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจรงเะเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็ไม่ปวดเดี๋ยวมันเป็นจิตดีเป็นจิตไม่ดีมันแต่ก็ไม่เที่ยงกัเจกับหลวงพ่อเออแล้วทำางกับมันอ่ะก็ปล่อยวางเพราะหลวงพ่อบอกลูกว่าลูกเท่าเหมือน ท่องสุคูลเลยที่เคยถามหลวงพ่อราวง่อไ่ผ่านเลยหลวงพ่อปล่อยวางรู้ตัไม่เที่ยงเกิดดับมันจะเป็นอะไรก็แค่หัวมันปล่อยว่างเปล่าอย่าประยากให้มันหายอย่าอย่าประยากให้มันอยู่ถ้ามันสุขก็อยยาไประหยากให้มันอยู่ถ้ามันทุกข์ประหยาดประยากให้มันหายเพราะมันสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าไม่อยากใจก็จะไม่ทุกข์ตัวนี้ที่เราต้องการจะดับ ตัว น, นี้เราดับได้คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ความทุกข์ที่เกิดจากธาตุขันนี่เราไปบังคับมันไม่ได้เอาแล้วนะมีอะไรไหมไม่ไม่จบก็ไม่จบนี่นะพูดแล้วฟังกันอยู่นั่นนีู่จะต่อแล้วมีอะไรป่าพวพ่ออ้วนพ่ออ้วนจะถามให้ค น, นอื่น <laughs> มีคนเขา สนใจอยากจะออกมาปฏิบัตินะคะแต่อายุก็ยังน้อยแล้วก็เขาเคยอยู่ครอบครัวใหญ่ไม่เคยทําอะไรด้วยตนเองอเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าถ้าถ้าถ้ า, ถาออกจะลองออกจากงานสักปีหนึ่งแล้วออกมาปฏิบัติแล้วเขาจะจะจะได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลองฝึกดูเสร็จก็ไม่ลองก็จะไม่รู้รช่วงที่ยังไม่ออกใช่ไหมคะให้ฝึกก่อนก็แล้วแต่ถ้าช่วงไม่ออกเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ลองไปฝึกดู ฝึกยังไงคะพระอาจารย์ฝึกช่วยตัวเองฝึกปฏิบัติอยู่แบบคนเดียอยู่เหมือนกับว่าเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องทําของจริงไงเหมือนนักมวยก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องซ้อมโชคก่อนน ะ, ะ้ารู้ว่ามั่นใจแล้วชบได้ก็ขึ้นเวทีได้เราจะไปทําอะไรเราก็ต้องฝึกก่อนแต่เราไม่ได้ฝึกแบบอแบบเอาจริงเอาจริงเอาฝึกแค่พอซ้อมดูทดลองกําลังดูก่อนว่าจะทําได้หรือเปล่า จะได้ไม่มีกังวลไม่ไม่มีความกังวลก็คือลองทําดูดในช่วงนี้ก็เราก่อนจะบวชแล้วก็ขอลองสักปีหนึ่ง mm hmm. อยู่แบบนักบวช ด, ดูสักปีอยู่เร อ, อยู่ได้ก็พะรู้อยู่ได้ก็เหบวชได้ไบวชแล้วไม่มีปัญหาคําว่าคิดจะเสร็จมันไม่มีเลยหลังบวชมาเพราะเรามีวิธีแก้มันถ้ามึงอยากจะเสร็จมึงต้องถ้ามึงอยู่มาได้สามเดือนมึงก็ต้องอยู่ต่ออีกสามเดือนให้เวลามึงกล้าตัว ถ้ามันอยู่ได้อีกสามเดือนมันก็แสดงว่ามันก็อยู่ได้อีเดือนมันก็เลยไม่เคยคิดจะเสร็จแต่เรื่องข้าคิดจะเสร็จไม่เสียจมันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ควบคุมใจเดี๋ยวปล่อยมันคิดเดี๋ยวมันคิดจะเสร็จถ้าเราควบคุมใจด้วยทุตัวด้วยสติตลอดเราไม่มีช่องว่างให้มันไปคิดะถ้าจะคิดให้ไม่คิดเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมันจะไปไหนเอสร็จไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปมีผัวมีเมียมีลูกเดี๋ยวมันก็ตาย แล้วมันก็ไม่ไปพอเรามันเริยนความตายอยกันที่มันอยู่กันเนี่ยมันคิดว่าไม่ตายกันคิดว่าจะอยู่กันกอดกันไปตลอดเดี๋ยวมันก็ตายจากกันพระอาจาสอนนี่มันจริญมอนนะโนสติเรื่อยๆมันจะได้เห็นภัยภัยที่กําลังรอเราอยู่เนี่ยบ้านกําลังไฟไหม้ยังไปจัดปาร์ตี้เฮฮากันทำไมไฟกําลังไหม้บ้านรีบเตรียม คนข้าวคนของออกนอกออกบ้านมีกว่าเนะข้าใจไหมหังขาร่างกายต่อไปมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยังมัวมาใช้มันหังหาความสุขอยู่ทําไมเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ใช้มันไม่ได้เทวดาถูนี่นึกถึงเทวทูดอยู่างนี้แล้วจะได้ออกบวชได้ตาจบแล้วเนี่ยมีเหมือนะ <laughs> มนการเล่นคอนเสิร์ตนะนะ <laughs> จบแล้วต้องมีแถมเ <laughs>